บทที่96อัมลาวัตพรหมบุรีเมื่อรู้ว่าพระเจริญไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานมาจากสำนักวัดมหาธาตุ อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใครธรรมทั้งหลายต่างพากันสมัครเป็นลูกศิษย์พระหนุ่มสอนให้ด้วยความเต็มใจอาศัยที่ท่านเคยเรียนสมถะกรรมฐานมาก่อนจึงใช้สมถะมาเป็นบาทฐานในการเจริญวิปัสนาทำให้ได้คุณวิเศษอันเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรม และคุณวิเศษเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลในการสอนด้วยทำให้ท่านสามารถอย่างรู้อัธยาศัยและเห็นกฎแห่งกรรมของปวงสัตว์การสอนจึงประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งญาติโยมก็ศรัทธาภาษาธะในตัวท่านมากขึ้นทุกวันลูกศิษย์ของพระเจริญส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงพวกผู้ชายไม่ค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรม ชอบไปสวนเสเฮฮากินเหล้าเมายาเล่นการพนันมีชีวิตที่ตั้งอยู่บนความประมาทบ้างเขาคิดว่าตนเคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนอีกแท้จริงนั้นการบวชตามประเพณีนิยมมิได้อะไรมากนะักกล่าวคือไปนั่งกินนอนกินให้เวลาหมดไปวันวัน คอยนับวันนับคืนว่าเมื่อไรจะออกพรรษาเพื่อจะสึกออกมาแต่งงานมีครอบครัวอีกประการหนึ่งที่ทำให้การบวชตามประเพณีไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็คืออุปชาเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจึงไม่สามารถสอนลูกศิษย์ได้คนที่บวชเมื่อไม่มีอะไรจะทำจึงพากันจับกลุ่มคุยกันบ้างโขกหมากรุกกันบ้าง โดยไม่ได้ตระหนักถึงสมณสารูปและสมณะสัญญาแต่ประการใดพระเจริญได้พิจารณาแล้วว่าหากปล่อยให้พระสงฆ์ซึ่งเปรียบเสมือนาาาศาสนาญาตประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อไปผลร้ายจะเกิดขึ้นกับพระาศาสนานั่นคือเมื่อคนเขาเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์ก็จะเสื่อมศรัทธาต่อพระาศาสนาด้วย เพราะคนทั่วไปก็มักเข้าใจผิดว่ า, าศาสนาก็คือพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็คือาศาสนาความเข้าใจผิดเช่นนี้จะต้องได้รับการแก้ไขแต่ไม่ใช่แก้ที่พระเพราะคํากล่าวที่ว่าทิฏฐิพระนั้นท่านเข้าใจลึกซึ้งดังนั้นการแก้ไขจะต้องแก้ที่ญาติโยม ท่านจะสอนให้พวกเขาได้เข้าใจในพระาศาสนาอย่างถูกต้องด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมสัมมาปฏิบัตินำพระเข้ามาไว้ในใจคือทำตัวเองให้เป็นพระด้วยการอบรมศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเป็นพระได้โดยไม่ต้องบวชเรียกว่าเป็นพระที่ใจมิใช่ที่การโกนศีรษะ นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแต่ไม่อบรมศีลสมาธิปัญญาซึ่งคนประเภทนี้ถ้าจะเรียกว่าพระก็เป็นได้แค่พระเทียมไม่ใช่พระแท้พระเทียมก็เหมือนกับแบงเทียมหรือแบงเกสนำไปซื้ออะไรไม่ได้ใครเก็บไว้ก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ เหมือนพระเทียมที่เที่ยวหลอกลวงชาวบ้านไปวันวันหนึ่งเป็นการสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็บาปทั้งนั้นการอบรมศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เป็นพระแท้นั้นไม่มีวิธีใดดีเท่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธพจน์รับรองว่าดูกนภิกษุทั้งหลาย ผลทางนี้เป็นไปอันเอกเพื่อบริสุทธิ์ของล่าวสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระ น, นิพพานผลทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ พระเจริญสอนวิปัสสนากรรมฐานให้อุบาสกอุบาสิกาทุกวันโกนและวันพระซึ่งญาติโยมจะพากันมาถืออุโบสถศีลและค้างคืนที่วัดแต่ก่อนคนที่มาถือศีลอยู่วัดไม่มีกิจกรรมทำกันพอฟังเทศและรับประทานอาหารเพลแล้วก็นั่งนั่งนอนๆหรือไม่ก็จับกลุ่มคุยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบาสิกาเรื่องที่คุยก็ไม่พ้นนินทากาเลนินทาลูกเขยลูกสภัยบ้างญาติสนิทมิสหายบ้างเพื่อนบ้านบ้างบางคนก็ก้าวหน้าถึงกับนินทาสงพานวัดคนเหล่านี้เมื่อตายไปก็ตกนรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของกิเลสที่ชักนาไป ก่อนหน้านี้คนที่มาถือศีลในวันอุโบสถนั้นเขาจะประนมมือรับศีลจากพระว่าสาธุอุโปโสสังอุปสถังว่ากันน้ำลายยืดเลยพอรับแล้วก็ตั้งวงนินทากันท่านจึงพูดล้อเลียนคนเหล่านั้นว่าอุโปโสสังอุโปโสสังสาลาพังไปหลายหลังก็ยัง ไม่ไปข้างเหนือข้างใต้ได้เห็นข้อบกพร่องดังกล่าวนี้พระเจริญจึงปฏิรูปวิธีถือศีลใช่ไหมกล่าวคือหลังจากรับอุโบสถศีลแล้วแทนที่จะให้ญาติโยมตั้งวงนินทากันตั้งวงกินกันอย่างที่ปฏิบัติตามตามกันมาท่านก็ให้มาเดินจงกรมและนั่งภาวนาสลับกันไป ห้ามพูดห้ามคุยอย่างเด็ดขาดใครมีธุระจำเป็นจะต้องพูดก็ให้พูดเบาที่สุดและสั้นที่สุดไม่มีการพูดเพ้อเจ้อต่อความยาวสาวความยืดแต่ประการใดแรกๆพวกญาติโยงรู้สึกอึดอัดเพราะเหมือนกับถูกบังคับแต่เมื่อปฏิบัติมากๆเข้าเกิดความสงบแห่งจิตจึงรู้ค่าของการปฏิบัติ แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานกันต่อไปในบรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในวันอุโบสถนี้มีผัวเมียคู่หนึ่งที่อายุน้อยที่สุดคือนายคำมีและนางบุญยืน วนหนุ่มเมียสาวที่สนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุอย่างน้อยนายคามีให้ความเคารพนับถือพระเจริญมากถึงกับเรียกท่านว่าหลวงพ่อทั้งที่ตัวเข้าอายุน้อยกว่าท่านเพียงสองปีเขาเล่าประวัติความเป็นมาให้ท่านฟังว่าความเดิมเป็นคนขอนแก่นได้จากอีสานบ้านเกิดมาหางานทำที่สิงห์บุรี โดยมาเป็นลูกจ้างทำนาอยู่กับนายผ่อนและนางปุกได้ค่าจ้างปีละห้าร้อยบาทอยู่กับครอบครัวนี้ได้ห้าปีก็รักใคร่ชอบพอลูกสาวคนโตของนายจ้างเพราะตาแม่ยายไม่ค่อยชอบเขานักเพราะลังเกียจว่าเป็นลาวโง่เง่าเต่าตุนเขาจึงไม่คบหาสมาคมกับใครมีงานก็ทำไม่มีงานก็พากันเจริญวิปัสสนากรรมฐาน วันโกนวันพระก็มาถือศีลอุโบสถที่วัดพระเจริญเห็นกฎแห่งกรรมของผัวเมียคู่นี้รู้ว่าพ่อตาแม่ยายคือนายผ่อนและนางปุกนั้นเกลียดเคยใหญ่หากไปรักเคยเล็กคือนายบุญมาบ้านเดิมอยู่ชัยนาธเป็นคนช่างพูดประจบพ่อตาแม่ยายเก่งแต่เป็นคนเกลียดคร้าน นางบุญปลูกเองก็หลงสามีมากถึงขนาดร่วมมือกันวางยาพิษที่จะฆ่าพี่สาวและพี่เขยเพื่อที่จะเอานามาเป็นของตนแต่ด้วยอำนาจของพระกรรมฐานทําให้สองผัวเมียผู้ซื่อสัตย์รอดตายมาได้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอีกสามปีข้างหน้าท่านจะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผัวเมียคู่นี้ ขอให้เชื่อหลวงพี่นะคำมีมันเจริญกรรมฐานสะสมบุญเข้าไว้ถึงกล่าวเคราะหามยามร้ายบุญกุศลจะช่วยได้เรานักกรรมหนักนะเอาเถอะหลวงพ่อจะช่วยอีกแรงหนึ่งแต่ตัวเองต้องช่วยตัวเองให้ได้ 80% เสเปอร์เซ็น์ก่อนอีก 20% เปอร์เซ็นหลวงพ่อช่วยได้ท่านบอกลูกศิษย์หนุ่มครับหลวงพ่อ ผมไม่รู้ว่ามีเวรกรรมอะไรพ่อตาแม่ยายเขาจงเกลียดจงชังผมเหลือเกินผมพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังทั้งที่เป็นเรื่องจริงแต่พอเขยเล็กพูดถึงเป็นเรื่องโกหกเขาก็เชื่อนั่นสิหลวงพ่อก็ยังแปลกใจตาพรกับยายปุกแกเป็นคนใจบุญสุนทานทอดผ้าป่ากรถินทุกปีแต่ทำไมถึงมีอคติกับลูกเขยแบบนี้ เขาเรียกว่าศรัทธาปลอมศรัทธาหัวเต่าพลุกเข้าพลุกออกอย่าไปถือสาแก่เลยตั้งหน้าตั้งตารับกรรมไปเถอะขอให้มันจเจริญกรรมฐานไม่มีอะไรดีเท่านี้อีกแล้วต้องปฏิบัติถึงขั้นไหนจึงจะตัดเวรตัดกรรมได้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งเป้าหมายไว้สามประการคือหนึ่งละลึกชาติได้สอง เห็นกฎแห่งกรรม 3. เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ใครปฏิบัติได้สข้อนี้ก็จะตัดเวรตัดกรรมได้พระหนุ่มอธิบายงั้นเราจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะแม่หนูนะนายคำมีพูดกับภรรยาจะพี่เราสองคนยังโชคดีนะ ที่มีหลวงพ่อเป็นที่พึ่งฉันกับพี่คำมีขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะมีอะไรว่ากล่าวตักเตือนได้เลยยังไงยังไงก็นึกว่าเป็นลูกเป็นหลานหลวงพ่อก็แล้วกันนางบุญยืนถูโอกาสฝากเนื้อฝากตัวจากนั้นจึงพากันลาท่านกลับบ้านเรือนตนซึ่งอยู่ชายคาเดียวกันกับบิดามารดาและน้องสาวน้องเขย ตอนสายของวันหนึ่งขณะที่พระเจริญกำลังทำความสะอาดกุฏิของท่านพี่เขยคนที่เป็นสามีนางจำแลงก็มาหาพร้อมบอกท่านว่ายายป่วยหนักอยากพบท่านนิมนต์เดี๋ยวนี้เลยนะครับพระหนุ่มรู้สึกใจหายวา่าท่านมัวยุ่งอยู่กับการสอนกรรมฐานให้ญาติโยมจนลืมไปว่าโยมยายของท่านชรามากแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะอายุครบร้อยปีโยมยายพูดว่าจะอยู่ไปจนอายุร้อยหนึ่งปีหากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งปีที่ท่านมีโยมยายหลังจากนั้นท่านไม่อยากคิดพระหนุ่มรู้ว่าท่านผูกพันกับโยมยายมากอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ท่านอายุได้หกขวบถูกเคียนถูกตีสารพัด หากก็เป็นการเคียนด้วยความรักถ้าไม่ได้แมวเรียวของยายท่านก็คงไม่ได้มาเป็นเช่นที่เป็นอยู่นี้ตลอดเวลาที่เดินทางจากวัดพรหมบุรีไปตลาดปากบางเพื่อเยี่ยมโยมยาย พระเจริญไม่ได้พูดคุยกับพี่เขยท่านครุ่นคิดถึงแต่เรื่องโยมยายนึกสังหอนใจว่าโยมยายคงอยู่ไม่ถึงร้อยหนึ่งปีดังที่เคยพูดเอาไว้ไปถึงบ้านท่านพบบุคคลที่ท่านรักที่สุดนอนอยู่บนฟูกแวดล้อมได้บิดามารดาและพี่สาวพี่เขยของท่านเห็นพระหลานชายมายายจางก็ดีใจ รีบพูดด้วยเสียงที่พอได้ยินว่ามาแล้วหรือโยมกำลังคอยท่านอยู่จะลาท่านในวันนี้เขาเอาบุตรสบกทองคำมารับนานแล้วคนอายุ99ปีกับอีกส1เอ็ดเดือนบอกพระหลานชายยายแกเพิรน่ะหลวงพี่นางจำแรงบอกน้องชาย ข้าไม่ได้เพอ้อไม่เชื่อเองก็ถามพระหลานชายข้าดูก็ได้ยายเถียงพระหนุ่มจึงต้องอธิบายให้โยมพี่ฟังว่าโยมยายไม่ได้เพอ้อหรอกจะ้ะสิ่งที่โยมยายเห็นนั้ น, นเขาเรียกว่าคตินิมิตเพราะโยมยายสร้างกุศลกรรมไว้มากกุศลกรรมเหล่านั้นจึงมาปรากฏให้เห็นเป็นคตินิมิต ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าโยมยายไปดีแล้วท่านจึงพูดกับโยมยายว่าโยมยายอย่าเพิ่งไปได้ไหมจ๊ะก็ไหนสัญญาไว้กับอาตมาว่าจะอยู่ไปจนถึงอายุร้อยหนึ่งปีนี่ก็อีกไม่กี่วันจะครบร้อยปียายจะด่วนไปก่อนกําหนดล้วจ๊ะอะไรอะไรในโลกนี้มันไม่แน่นอนหรอกจ๊ะท่าน มันเป็นอนิจจังทุกขั้งอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติไม่มีผู้ใดฝืนธรรมชาติได้สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้เราจึงบังคับบัญชามันไม่ได้ถ้าบังคับบัญชาได้โยมก็จะอยู่ให้ครบร้อยหนึ่งปีอย่างที่ท่านต้องการ คนอายุเกือบร้อยพูดด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะสร้างกุศลกรรมไว้มากจึงไม่เพอเจอ้อหลงไหลเมื่อตอนใกล้จะดับจิตและโยมยายจะไปที่ไหนละจ๊ะพระหนุ่มถามเมื่อทัดทานไม่ได้แล้วให้รู้ว่าโยมยายจะไปเกิดที่ไหนก็ยังดีเดี๋ยวท่านก็รู้เองนั่นแหละท่านปฏิบัติมามาก รู้มากกว่าโยมยายแล้วท่านไปเยี่ยมเยียนบ้างก็แล้วกันแม่จวนทิดพองตลอดจนลูกสาวลูกเขยพากันแปลกใจในคำสนทนาระหว่างคนที่กำลังใกล้จะดับจิตกับคนที่ถือเพศสมณะเท่าที่เคยพบเห็นมาคนกำลังจะตายก็จะทุรนทุรายพูดจาเพอ้อเจอ้อเหลวไหล ข้างลูกหลานก็จะพากันร้องไห้กระจองงองแงฟังไม่ได้สับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างครองสติไม่อยู่และคนที่ไปในลักษณะนี้มักไม่พ้นอบายภูมิคือถ้าไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือว่าสัตว์เดรัจฉานแม่แม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวตรงไหนบ้างเลยหรือฉันเห็นแม่พูดจ่อย ยังกับคนไม่ป่วยไข้แม่จวนอดไม่ได้จึงถามเอ็งมาเป็นข้าถึงจะรู้คนกำลังจะตายมีรึที่ไม่รู้จักทุกทรมานเวลาไฟธาตุมันจะดับอินซีมันจะแตกน่ะทรมานอย่าบอกใครเลยเอ็งเอ้ยคนใกล้จะตายเขาถึงจะได้ละเมอเพอพก ยิ่งพวกที่ทำบาปกรรมไว้มากๆก็เห็นย ม, มาบาลมายืนรอรับเอาตัวไปก็ยิ่งกลัวตลนตลานแต่ข้าสร้างความดีไว้มากถึงข้าจะเจ็บปวดรวดร้าวทางกายสักปานใดข้าก็ฝืนใจทนเอาคนที่เคยฝึกจิตเท่านั้นถึงจะทำได้จริงไม่ท่านประโยคหลัง โยมจางถามพระหลานชายจริงจะโยมยายตอนนี้อาตมายุ่งอยู่กับสอนกรรมฐานให้โยมเลยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเยี่ยมโยมยายอย่านึกตำหนิติดเตียนอาตมาเลยนะอาตมากำลังสร้างคนซึ่งได้บุญกุศลมากกว่าสร้างวัตถุพระนุมบอกเหตุผลที่ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนผู้มีพระคุณ ไม่เป็นไรโยมขออนุโมทนากับท่านด้วยขอให้สร้างความดีต่อไปและท่านจะเจริญรุ่งเรืองขอให้เป็นถึงเจ้าคุณเลยนะอาตมาไม่หวังหลอกโยมยายที่ทำไปก็เพื่อสมเคราะห์สัตว์โลกตามหน้าที่ของสมณะแต่ถ้าจะให้ได้ยศตำแหน่งอะไรมาก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ ดีแล้วท่านคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วโยมก็หมดห่วงไม่ห่วงอะไรอีกแล้วเออแต่ว่าท่านยังจำเรื่องมั ก, กรีผลที่โยมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆในสมัยที่ท่านเป็นเด็กได้หรือเปล่าก็พอจำได้จะโยมยายอาตมาตั้งใจว่าจะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้เพราะเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่า เรื่องพระเวสสันดรมีจริงอาตมาเป็นคนค่อนข้างหัวรั้นไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตาจึงจะเชื่อโยมมั่นใจว่าสักวันหนึ่งท่านต้องทำได้เอาละโยมเหนื่อยเต็มทีแล้วเห็นต้องลาขอให้ลูกหลานทุกคนจงมีความสุขความเจริญมันทำบุญให้ทาน สะสมบุญไว้มากๆถึงเวลาคับขันบุญก็ช่วยได้ข่าไปแล้วนะยายบอกลูกหลานแล้วหลับตาลงช้าๆการหายใจอ่อนลงอ่อนลงกระทั่งหยุดไปในที่สุดยายตายแล้วนางจำแรงตะโกนขึ้นมาร้องไห้โหโหอย่างขาดสติแม่จวน และลูกหลานอื่นๆก็น้ำตาไหลหากไม่ได้โวยวาอย่างนางจำแรงทิดพองจึงเอ็ดลูกสาวว่านี่หยุดได้แล้วมาช่วยกันคิดว่าจะทำศพยายยังไงถึงจะสมเกียรติเรื่องโศกเศร้าให้อยู่ในใจไม่ต้องตีโพยตีพายโยมพ่อเรื่องงานศพอัตมาเป็นธุระให้เองคิดว่าตั้งศพสวดอภิธรรมที่บ้านนี่แหละ พอครบเจ็ดวันวันที่แปดก็ชปาปนกิจศพอาตมาขอเก็บอัฐิโยมยายไว้ส่วนหนึ่งด้วยหลังจากโยมยายถึงแก่กรรมได้สองปีพระเจริญก็ได้รับคำสั่งจากกรมศาสนาให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพราะเจ้าอาวาสองค์เดิมถึงแก่มรณาภาพได้โรคฝีในท้องพระหนุ่มรู้สึกยินดี ที่จะได้ย้ายวัดไม่ใช่ยินดีที่ได้รับตำแหน่งแต่เพราะเห็นว่านั่นเป็นโอกาสที่จะได้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างเต็มที่เพราะการสอนที่วัดพรมบุรีนั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควรจริงอยู่แม้หลวงพ่อชอบผู้เป็นสมภารจะไม่ขัดขวางด้วยเห็นว่าเป็นความต้องการของญาติโยม แต่ท่านก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนคำจุนเท่าที่ควรพระเจริญคิดว่าท่านจะสร้างวัดป่ามะม่วงให้เป็นสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงเหมือนวัดมห า, าธาตุท่าพระจัน์นั้นเทียวท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ ทั้งหมดที่จบลงไปนั้น96บทด้วยกันนะคะนั่นคือมัคลาีผลซึ่งเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์สุทธสาอ่อนค้อมผู้จัดทํารายการขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุทธสาอ่อนค้อมที่ได้กรุณา น, นําหนังสือมัคคาีผลมาให้ผู้จัดทําได้มีโอกาสเผยแพร่ในรายการแสงเทียนเสียงธรรม ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ